นี่ก็เพราะว่าต้องการปฏิบัติธรรมวันนี้ปฏิบัติธรรมคืออะไรน ะ, ะทำได้อย่างไรนี่ก็ต้องทำความเข้าใจปฏิบัติธรรมนี่มันก็หมายถึงการพัฒนาการฝึกกายวาจาใจนะอาจจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้การฝึกการพัฒนากายวาจานะก็เรียกว่าการพัฒนา ด้านศีล น, นะมันมีคำเรียกว่าศีลภาวนานะภาวนาที่แปลว่าทำให้เจริญไม่ได้แปลว่านั่งหลับตานะอันนั้นมันรูปแบบวิธีการาการทำให้กายวาจาของเรางดงามประกอบไปด้วยความดีนะไม่เบียดเบียดใครเมื่อพูดก็พูดโดยวาจาที่ไพเราะ นะเมื่อกระทำนะก็เกิดประโยชน์เป็นผลดีทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนะันเราก็เรียกว่าศีล น, นะถ้าทำให้ศีลของเรางดงามก็เรียกศิลภาวนาการมีศีลการรักษาศีล น, นี่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมนะและการรักษาศีลหรือว่าการมีศีลเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยรูปแบบอะไรมากนะ คือไม่จำเป็นต้องมาสมาทานกับพระไม่รู้ว่าจะเอ่ยคาสมท า, านศีอย่างไงก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็จำไม่ได้ว่าเมื่อยังพันเตวิสุงวิสุงนี่ต่อด้วยอะไรนะอันนั้นก็ไม่สำคัญนะมันอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อเรามีเจตนาที่จะรักษาศีลแล้วก็พยายามทำดูแลกายว่าจะให้ดีนะก็เรียกว่าเรา เป็นผู้มีศีลแล้วนะอย่าไปติดที่รูปแบบนะหลายคนนี่เวลาจะรักษาศีลนี่ก็เข้าใจว่าต้องมีรูปแบบเยอะนะเช่นต้องนุ่งขาวห่มขาวนะต้องมากราบความสมาทานศีลต่อหน้าพระถ้าไม่มีพระก็ไม่ว่าจะสมาทานอย่างไรอันนี้ไม่ใช่หรือบางคนก็ มาสมาทานต่อหน้าพระพุทธรูปแต่ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรนะสิ่งสําคัญอยู่ที่ใจนะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจนะอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยนะแม้ว่าศีลเป็นเรื่องกายวาจานะแต่ว่าอาศัยเจตนาและเจตนาที่เกิเป็นเรื่องของใจนะนอกจากการฝึกการ พัฒนากายวาจาแล้วนะการปฏิบัติธรรมก็ลงนการฝึกและพัฒนาจิตด้วยการพัฒนาจิตเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะเช่นพัฒนาจิตให้มีเมตตาพัฒนาจิตให้มีความอดทนให้มีความขยันหมั่นเพียร น, นะให้พอใจในสิ่งที่ได้มาอันนี้เรียกว่าสันโดษ หรือว่าพัฒนาให้มีความสงบให้มีสติความรู้ตัวทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาได้ทั้งนั้นจะเรียกว่ากรรมฐานด้วยก็ได้แล้วก็เช่นกันนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีรีตองนะไม่ใช่ว่าจะทำกรรมฐานนี่คือต้องมีการนุ่งขาวห่มขาวต้องมาอขอกรรมฐานนะถ้าไม่ได้ขอกรรมฐานก็ ทำกรรมฐานไม่ได้นี่มันเข้าใจผิดนะเดี๋ยวนี้เราไปติดที่รูปแบบกันเยอะนะไปติดที่พิธีรีตองมากนะแม้แต่จะอุทิศบุญกุศลส่วนบุญให้ใครนี่ก็ก็ต้องมีพิธีรีตองเยอะนะเช่นต้องให้พระว่าก่อนยัดถาวริวาานี่ถึงจะกรวดน้ำได้ไม่มีน้าก็รู้สึกลำบากใจว่าแล้วจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปอย่างไร ที่จริงไม่มีน้ำก็ไม่สำคัญนะใช้ใจอย่างเดียวก็ได้มีน้ำแล้วแต่ว่าไม่มีพระจะมาสวดยะถาบริวหาก็รู้สึกว่าเอ้ทำไม่ไดนะ้เคยไปบินทบาทนะบิณทบาตชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอกรวดน้ำหน่อยนะพอเขาใส่บาเสร็จต่อมาก็ก็ว่าเลยนะอิชิตังปฏิตังตุมหังว่าจบเขาก็ยังไม่ทำอะไรเลย พอว่าจบแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยขอกวดน้ําหน่อยก็คือจะให้เราเนี่ยว่ายะถาจริงๆอิชิตั้งปฏิตังตุ่มหามก็เป็นส่วนหนึ่งของยะถาวริวหารนั่นแหละคือเข้าใจว่ากรวดน้ําจะได้บุญก็ต่อเมื่อพระ น, นี้ว่ายะถานะถ้าพระว่าบทอื่นนี่ไม่ได้บุญนะอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องการทําบุญเรื่องการกรวดน้ําหรือว่าเรื่องการแผ่อุทิศส่วนกุศล พระจะสวดบทไหนไม่สําคัญอยู่ที่เจ้าตัวนั่นแหละนะว่าเมื่อทําบุญแล้วใส่บาศแล้วก็นึกถึงผู้ที่โล่งรับก็ว่าไปเลยนะจะสวดได้ไม่ได้ไม่สําคัญอยู่ที่ใจนะนะถ้าหากว่าจะต้องยถาวา ร, ริวหาเนี่ยแล้วฝรั่งจะทํายังไงนะฝรั่งอยากจะทําบุญนะนะไม่มีพระจะมาว่ายถาวริวหาหรือว่าอกล่าวคํากรวดน้ําไม่ได้นะ การทำความดีเนี่ยถ้ามันเป็นความดีจริงนะใจก็เป็นบุญแล้วนะอันนี้เป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีรีตองนะพิธีรีตองนี่เป็นแค่ตัวช่วยตัวเสริมอย่างเช่นเมื่อเราจะถวายสังฆทานนะถวายพราป่าก็ได้ก็จะมีพิธีสักหน่อยนะเช่นกล่าวคาตายสารณาคม แล้วก็มีการรับศีล น, นะนพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยมีเพื่ออะไรเนะี่ยมีเพื่อช่วยน้อมใจผู้ถวายให้สงบเพราะว่าถ้าใจยังว้าวุ่นนะบางคนเจ้าภาพนี่จัดงานนี่ก็มีเรื่องอะไรต้องทำเยอะรับแขกก็ดีทำอาหารก็ดีวิ่งไปวิ่งมาสารวณเนี่ยจิตใจว้าวุ่นไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วเนี่ยการทำบุญ ก็จะได้บุญน้อยนะเพราะว่าทําบุญเนี่ยจะได้บุญมากเมื่อก่อนให้จิตแจม่มใสให้เสร็จใจเบิกบานหรือผ่องใสนะให้ความผ่องใสของใจเนี่ยทั้งก่อนแล้วระหวังแล้วให้นั่นแหละก็เป็นตัวบุญนะเพราะบุญชื่อเป็นเชื่ อ, องความสุขนะเมื่อจะถวายสังฆทานถ้าใจผ่องใสจิตเบิกบาน อ, อันนี้ก็ได้บุญเยอะ แต่ว่าถ้าใจว้าวุ่นฟุ้งซ่านเนี่ยบุญก็น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพิธีกรรมนะเพื่อที่ทําให้จิตใจสงบนะจิตใจเจ้าภาพหรือผู้ที่จะถวายที่ชื่อว่าทายกเนี่ยนะพิธีกรรมเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือ น, นี้นะช่วยน้อมใจให้สงบช่วยทําให้เกิดบรรยากาศที่สงบเพราะว่าถ้าพระไม่ไม่เอ่ยคำอ่าไม่ตั้งนโมเนี่ย บางทีเสียงโกราหุนวุ่นวายก็ยังดังอยู่นะเจ้าภาพก็แขกหรือแขกนี่ก็ส่งเสียงบรรยากาศไม่สงบเลยนะแต่พอพระเริ่มตั้งน้ำโมอา่าบรรยากาศก็เริ่มสงบพอสงบแล้วเนี่ยมันช่วยน้อมใจญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาให้ให้สงบนั่นเมื่อจะถวายนะจิต ก, ก็ผ่งไสถวายเสร็จใจก็เบิกบานนะก็เป็นบุญนะ เมื่อใจเป็นบุญแล้วเนี่ยจะอุดที่สวนกุศลให้ใครเนี่ยมันก็ได้แต่มเม็ดเต็มหน่วยนะมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องของไม่ใช่อยู่ที่พิธีกรรมแต่พิธีกรรมเป็นตัวเสริมนะแต่ถึงไม่มีพราะความจําเป็นเพราะท่องไม่ได้อะไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจให้ดีๆให้เป็นบุญก็แล้วกัน เรื่องภาวนาก็เหมือนกันนะเรื่องการทําสมาธิเรื่องการฝึกเจ็ดนะมันไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองนะไม่ได้ที่ว่าจะ ห, มห่มผ้าสีอะไรนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่โดยซ้ำนะไม่รู้จักพิธีรีตองก็แหมเป็นไรนะตั้งใจว่าจะทําก็ทําเลยนะไม่ใช่เป็นการนั่งตามลมหายใจไม่จช่เป็นการเดินจงกรมไม่ใช่เป็นการสร้างจังหวะ แลที่จริงแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธาด้วยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะของผู้ปฏิบัติบางทีผู้ปฏิบัตินี่ก็อาจจะไม่ใช่ชาวพุทธอาจจะเป็นชาวคริสต์เป็นมุสลิมนะอันนั้นไม่สำคัญอยู่ที่ว่าวางใจถูกไหมถ้าวางใจถูกนะผลก็ย่อมเกิดขึ้นเมืเม่อกับขี่จักรยานะนะ คนที่ขี่จักรยานเป็นมนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นพุทธเป็นคริสเป็นมุสลิมนะจะเป็นคนชาติไหนภาษาไหนถ้าทรงทรงตัวได้ถูกต้องนะก็ขี่จักรยานได้ขับรถใช้คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะถ้ารู้วิธีใช้นะก็สามารถควบคุมรถสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ได้มไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า มีความเชื่อแบบไหนนะจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นทุนนิยมคอมมิวนิสต์เป็นพุทธเป็นคริสต์หรือว่าเป็นไม่มีศาสนาถ้ารู้จักใช้มันนะรู้ว่าปุ่มไหนทำอะไรเนี่ยนะนะก็สามารถบังคับควบคุมมันให้เป็นประโยชน์ได้ใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักธรรมชาติของใจ หรือบางทีไม่รู้นะแต่ว่าทำไปตามที่มีคนแนะนำทั้งที่ไม่มีความเชื่อและบางทีไม่รู้ได้ว่ากาลังทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าทำถูกถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะมันก็เกิดผลดีได้เหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นเนี่ยนะถึงจะทำสมาธิเจริญสติได้ผลคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธหรือว่าไม่รู้เรื่องพระรัตนตรัยเลย ไม่เคยได้ยินอริสัตย์สไม่เคยเข้าใจว่ามรกมีงคลคืออะไรแต่ถ้าวางใจถูกปฏิบัติถูกนะมันก็เกิดผลนะจะเป็นความสงบเป็นความสึกตัวก็แล้วแต่เมื่อสักเจ็ดสิบแปดสิปีก่อนเนี่ยนะหลวงปู่มั่นนะท่านอาชอบทุ ด, ดงนะไปตามเขตป่าเขาบางทีก็ขึ้นดอย นะท่านชอบทุดงทางภาคเหนือมีคราวหนึ่งก็ทุดงไปกับเขาจะเป็นพระอาจารย์เทศนะตอนนั้นยังยังหนุ่มอยู่อาจารย์เทศที่หลวงปูเ่เทศเทรังสีนี่แหละก็ไปที่ดอยดอยหนึ่งเนี่ยนะทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่สงบสงัดนะก็เลยเลือกนะพักที่นั่น เพราะว่าใกล้หมู่บ้านด้วยสามารถจะบินธบาตได้สะดวกประมาณสักเดินก็1หรือ2กิโลเมตรสมัยนั้นเนี่ยป่าเขายังเยอะแล้วก็หมู่บ้านชาวเขานี่ก็มีกระจ ก, กระจายแล้วก็หมู่บ้านเหล่านี้บางทีทั้งปีทั้งชาตินี่แทบจะไม่ได้เจอผู้คนจากภายนอกหรือว่าไม่เคยเข้าไปในเมืองเลย คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพระก็ะรู้จักบ้างว่าคือพระนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมากกว่า น, นั้นวันหนึ่งหลวงปู่บ้านนะกับพระอาจารย์เทพก็ไปบินธบาตถือบาทเข้ามาเขาก็ไม่รู้ว่าถือบาทมาทําไมถามว่ามาทําอะไรนะหลวงปู่บ้นก็ตอบว่ามาบินธบาตบินธบาตแปลว่าอะไรก็คือมาบินธบาตหาอาหารนั่นแหละอาหารที่จะเอาอะไรนะเขาถามเจะเาข้าวสุกหรวเข้าว ส, สารท่านก็ตอบว่าเข้าวสาร นะชาวเขาก็ใส่เข้าสารให้ถ้า ใ, ใส่เข้าสุกให้พนะอาจารย์มั่นบอกว่าเนี่ยเอาเข้าสุกนะชาวชาวเขาก็ใส่เข้าสุกให้ก็ใส่แต่เข้าสุกนะกลับไม่ใส่นะนั่นก็ชันแต่เข้าสุกนั่นแหละก็หลายวันทีเดียวแต่ว่าก็มีชาวบ้านจานวนหนึ่งเนี่ยเกิดระแวงสงสัยว่าเอ้ยพระสองรูมนี่มาทําอะไรก็มีคนลือว่าเนี่ย จะเป็นเสือเย็นหรือเปล่านะเสือเย็นก็ ค, งคงก่อนข้างเสือสมิงกันนะเป็นเสือที่ปลอมตัวมาเป็นคนนะคอยจับมนุษย์นี่เป็นอาหารก็คือความตื่นตอดใจก็เลยมีการประชุมกันนะประชุมกันก็ได้ความว่าเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนี่อยากเขาจะไปเข้าใกล้นะตรงที่พระหรือตูตเจ้าสองรูปนี้นะปรากฏอยู่ถ้าเป็นผู้ชายก็ถ้าจะเข้าไปแถวนั้นก็ต้องมี อาวุธแล้วก็จะต้องมีคนไปด้วยหลายคนขณะยจักการก็มีการส่งนะส่งคนไปเฝ้ามองดูพฤติกรรมว่าพาสองรูปนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็มีชายหนุ่มหลายคนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนี่เข้าไปซุ่มดูพฤติกรรมนะก็เห็นว่าหลวงปูม่ม่นกับลูกศิษย์เนี่ยวันวันหนึ่งก็ ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งนิ่งๆแล้วก็เดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาคือเดินจงกรมนั่นแหละแต่ว่าชาวเขานี่ไม่รู้จักการเดินจงกรมหรือการนั่งสมาธิก็เห็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันแล้วก็ทำอยู่หลายวันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคงไม่ใช่เสอเย็นละมั้งแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นทาไมวันหนึ่งหัวหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านนะ ก็เกิดกล้าขึ้นมาก็เดินเข้าไปถามหลวงปู่มั่นว่าตูเจ้าเนี่ยเดินกลับไปกลับมาทําอะไรหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าตามหาพุโทโธพุธโทโธเราหายชาวเขาก็สงสัยว่าพุโทโธมันคืออะไรนะท่านก็ตอบคือดวงแก้วสว่างสวัยนะแล้วมันเป็นยังไงนะมันดียังไงนะ เห็นนรกสวรรค์ไหมท่าก็บอกเนี่ยถ้ามีดวงแก้วนี้มีพุทโธแล้วเนี่ยก็จะรู้จะจะเห็นนรกสวรรค์เขาก็สนใจขึ้นมาแนละ้วก็บอกจะช่วยตามหาพุทโธให้จะได้ไหมนะชาวขาวนี่เขาก็มีเมตตานะพุทโธหายก็เลยอาสาว่าจะช่วยหาพุทโธให้แล้วทําอย่างไงล่ะท่านก็บอกเนี่ยเวลาเดินก็ให้นึกถึงพุทโธไว้นะ แล้วทำนานเท่าไหร่ชาวเขาถามนั้นก็ตอบว่าประมาณสักสิ้าถึงยีนาทีอะเอาเริ่มต้นเท่านี้ก่อนนะนะช่วยช่วยช่วยกันหาพุโทโธ เ, เขาก็เลยไปช่วยกันหาพุโทโธนะกลับไปที่บ้านก็เดินกลับไปกลับมานะตั้งใจก็จะช่วยหาหาพุโทโธให้ให้ตูตเจ้านะชาวบ้านคนหนึก็สนใจก็ช่วยหาเ<ม>ดินก็เดินจงกลงกไปเดินจงก ล, งกลงกัมมาเนี่ย ไม่รู้ได้ว่านั่นคือการเดินจงกรมบอกว่าทําได้ไม่กี่วันนะหัวหน้าชาวเขานี่ก็จิตก็สงบนะสงบแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมานะเหมือนก็เห็นทั้งป่านี่สว่างสวยแถมกลางคืนฝันนี่ก็ฝันว่าหลวงปู่ม่านนี่เอาความสว่างมาให้ก็เกิดความสนใจมากขึ้นก็เลยไปถามหลวงปู่ม่านว่านี่มันเป็นยังมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรอท่านก็แนะนำนะ เพิ่มเติมให้เรื่องการภาวนาพุโทโธแต่ถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือการภาวนานะเพราะว่าพูดไปชาวขาคงไม่เข้าใจแต่บอกวิธีการหาพุโทโธให้บอกว่าไม่นานนะโชนะเจ้าขานั้นก็จิตสงบจนกระทั่งสามารถจะรู้วารจิตของคนอื่นได้เห็นวารจิตของแม้กระทั่งหลวง ป, ปู่มั่นนะเห็นวาจิตของท่านนี่ใสไม่มี จุดด่างดำอะไรเลยนะก็ยิ่งแปลกใจเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ยิ่งสนใจอ่ก็กลายเป็นว่าหลายคนนี่ก็ได้รับผลแห่งการตามหาพุโทโธนะกันไปตามๆกันก็กลายเป็นว่าเกิดศรัทธาในหลวงปู่ ม, มั่นนะทีแรกท่านตั้งใจว่าจะอยู่แค่ไม่กี่วันปรากว่าชาวบ้านก็บอกขออยู่ต่อท่านอยู่เป็นปีเลยนะ จรมัษาที่นั่นด้วยแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นหันมาสมาทานพุทธศาสนาคนเหล่านั้นภาวนาพุทโธก่อนนะก่อนที่จะมารู้จักพุทธศาสนาและทั้งทังที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักพระรัตนตรัยนะแล้วก็ไม่รู้โดยซ้ําว่ากําลังภาวนาแต่ว่าทําแล้วเนี่ยกลับได้ละความสงบเพราะอะไรนะก็เพราะว่าวางจิตวางใจถูกนะ พอวางใจถูกคือจิตเนี่ยอยู่กับพุโทโธหรือว่าขาที่เดินก็มีการบริกรรมไปจิตมันไม่ไปไหนนมันก็อยู่กับพุโทโธมันก็สงบนะที่จริงจะเป็นพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็ได้ทั้งนั้นนะคนบางคนไปติดว่าเป็นน้องเป็นพะุทโธนะมันไม่จำเป็นนะจะเอาอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าหากสามารถจ ะ, ะให้จิตเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับคาบริกรรมนั้นจิตก็จะสงบได้ เรือนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าการทำสมาธินะทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่ากำลังทำสมาธิอยู่แต่ว่าทำเพราะว่าอยากจะห า, าพุโทโธให้หลวงปู่มั่นนะแต่ถ้าทำถูกนะมันก็เกิดความสงบนะอันนี้เรียกว่าเกิดสมถะแล้วถ้าสมถานี้ถึงขั้นก็สามารถจะมีความสมาพิเศษทางจิตได้นะ การเอาความสงบนั้นนยมาใช้ในการดูจิตนะเอามาใช้ในการดูกายและใจเนี่ยก็เชื่อว่าจะทําให้เกิดปัญญาหรือเกิดวิปัสสนาขึ้นมาได้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นเลยนนะว่าแม้จะไม่รู้ว่าตัวเองกําลังภาวนาอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังปฏิบัติธรรมได้ซ้ําไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําสมาธิและดังนั้นจึงไม่มีความคาดหวังว่าจะพบกับความสงบแต่เมื่อทําถูกวิธีนะ มันก็เกิดความสงบจนได้นะอันนี้เราพูดถึงความสงบนะเราพูดถึงสมถนะการเจริญสติก็เหมือนกันนะการเจริญสติคือการทําให้จิตเนี่ยมันตื่นนะมันไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะแต่ก็ยังรู้ด้วยว่าสงบและไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบนะแล้วก็ไม่ติดในความสงบนั้นในการเจริญสติก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีศรัทธาในพระรัตนนาฏตายหรือเปล่า นะบางคนก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าหากว่าปฏิบัติถูกก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเวลาเดินนะขณะที่กายเดินใจก็อยู่อาการเดินหรือว่าทำความรู้สึกตัวไปในขณะที่ทำ อ, อเรียบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนหรือว่ากินดื่มเคี้ยวลิ้ม นะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเมื่อมีความสึกตัวเนี่ยจิตก็ตื่นขึ้นมาได้เหมือนกันและหลายคนเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเลยแต่ทําไปแล้วเนี่ยได้รับอนิสงส์นะความเครียดหายไปนะความหนักอกหนักใจหายไปร่างกายที่ปวดเมื่อยหรือว่าเป็นโรคด้วยซ้ําเนี่ยก็หายนะเขาก็เกิดความ ทึ่งนะในการปฏิบัติฝรั่งจำนวนมากเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยนะในยุโรอเมริกาเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาแต่ว่าพอมาเจเนะาริญสติเนี่ยการเจริญสติตอนนี้ก็มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายโดยที่ไม่ไม่ใช้คำพุทธแต่วิธีการเนี่ยนะมันเป็นวิธีการแบบพุทธเนี่ย คนทาแล้วเขาก็ได้รับอ น, นิสงส์จิตตื่นเบานะรู้สึกตัวถึงตอนนั้นแหละถึงค่อยมาสนใจว่าโอ้พุทธศาสนาสอนอะไรนะอันนี้เราต้องนะต้องจับจับประเด็นให้ได้นะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะมนไม่อยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ไม่อยู่ที่ความอยากด้วยไม่ได้อยากได้ความสงบ แต่ถ้าทำถูกวิธีมันก็สงบนะอย่างชาวเขาเนี่ยไม่ได้คิดเลยไม่มีความอย า, อยากอยู่ในหัวเลยเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการทำสมาธิแต่ถ้าทำถูกวิธีมันก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ไม่มีความอยากจะให้จิตสว่างนะแต่ถ้าทำถูกวิธีตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะใจมันก็สว่างขึ้นมาได้เหมือนกันสว่างด้วยสตินะในทางตรงข้าม ทำด้วยความอยากนะความอยากนี่เต็มหัวใจเลยนะทำเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบนะทําเท่าไหร่ใจก็ไม่ตื่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความอยากนี่เป็นเครื่อ ง, องกีดขวางนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความอยากนะจิตมันก็จะไม่ไม่เป็นปกติแล้วจิตมันจะไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วจิตมันจะไปอยู่กับอนาคตคอยชะเง้อ ว่าเมื่อไหร่จะได้ความสงบเมื่อไหร่จะได้สติเมื่อไหร่จะรู้รูปนามนะมันไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อมันไม่อยู่กับปัจจุบันก็คือทำผิดนั่นแหละเมื่อทำผิดแล้วมันจะเกิดผลได้อย่างไรยิ่งทำด้วยความอยากนี่ก็ยิ่งไม่ได้นะนการปฏิบัติที่มันแปลกนะการฝึกจิตเนี่ยยิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้นี่กลับได้นยะยิ่งสละ กลับได้นะไม่ใช่ได้ใช้ได้ได้ความสุขเท่านั้นนะบางทีได้ทรัพย์กลับมาด้วยนะอย่างพระสุจริต่านสละสละราชสมบัตินะแต่ว่ากลับได้นะกลับได้รับความศรัทธาได้รับปัจจัยต่างๆมากมายยิ่งอยากได้กลับไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้หรือไม่ไม่คิดว่าจะได้นี่กลับได้ นนักปฏิบัติต้องนะต้องระลึกเสมอนะเมื่อไรก็ตามที่ใจมันอยากได้ความสงบอยากได้สติเนี่ยอันนั้นแสดงว่าตั้งจิตผิดแล้วนะต้องกลับมานะวางมาลงซะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าทำเล่นๆ น, นะหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนผู้ใหม่นะอยู่เสมอว่าให้ทำเล่นๆนะทำเล่นๆก็คือว่า มันจะฟุ้งบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรเวลาเราทำอะไรเล่นๆเนี่ยมันผิดพลาดอะไรไปแล้วก็ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้เสียใจนะแต่ถ้าเราทำจริงจังนะมันจะเครียดง่ายนะใจฟุ้งก็ไม่พอใจคิดจะเอาชนะความฟุง้งคิดจะพยายามกดข่มจิตไม่ให้คิดการทำเช่นนั้นเนี่ยทำให้จิตเนี่ยมันไม่เป็นปกติทำให้จิตเครียดได้ง่ายเสร็จแล้วก็เลยเข้ารถเข้าพงไปเลย นั้นให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเรานะแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราทําถูกวิธีไหมนะถึงไม่อยากแต่ทําถูกวิธีมันก็เกิดผลพรนะพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนกับไข่ไก่นะไข่ไก่ถ้าแม่ไก่นี่มาฟักนะถ้าฟักถูกวิธีแล้วก็ต่อเนื่องนะทุกวันทั้งวัน แล้วก็หลายวันไม่นานนะลูกเจีย๊ยบก็จะออกมาไนะข่ก็จะฟักเป็นตัวโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความปรารถนาของแม่ไก่แต่ถ้าหากว่าแม่จะมีความปรารถนาอยากจะให้มันทอกเป็นตัวแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยกับไขนะ่นั้นหรือว่ามาฟักก็ประเดียวประดาวถึงอยากแค่ไหนมันก็ไม่ออกมาเป็นตัวได้นะ การปฏบิบัติบางทีมันก็ไม่ต่างจากการฟักนะฟักไข่นะมันต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อมเนี่ยมันถึงจะเกิดผลแล้วก็ผลนะั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับความปรารถนาความต้องการความอยากของเราแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่พิธีรีตองด้วยนะแต่ขึ้นอยู่ว่าเราทำถูกวิธีไหมถูกวิธีนี้ไม่ได้หมายถึงถูกพิธีรีตองเนะี่ยแต่หมายถึงการวางใจถูก ถ้าวางใจถูกแล้วทำความเพียรต่อเนื่องมันก็เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็นในที่สุดนะเอาขั้นนี้ก็พูดกันท่านนี้เอากราบครบ